อารที่ท่านผู้ฟังเปิดวิทยุ ข, ขึ้นมาเนี่ยแล้วเผเอิญผเอิญมันเป็นรายการธรรมานี่แค่นี้ก็เป็นเรื่องที่มาหาศาัศจรรย์มากแล้วพ้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในเวลาเช้าเป็นความมหาศาัศจรรย์อย่างหนึ่งที่ยังมีคําสอนของพระพุทธเจ้าประกาศอยู่ตามสื่อต่างๆทีวีบ้างวิทยุบ้างอินเทอร์เน็ตบ้าง เป็นความมาสชันที่เกิดขึ้นเพราะว่าการปรากฏมีขึ้นของสัมมาสัมพุทาชาเราเปิดเพื่อที่จะฟังข่าวสารตามเรื่องราวต่างๆแต่อเผลอ ญ, ออญได้หมายได้ยินได้ฟังธรรมะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทวนกระแสถึงแม้จะเป็นการทวนกระแสแต่ก็ยังมีคนฟังนี่ก็เป็นสิ่งมาสะชันอีกอย่างหนึ่งที่ว่าทั้งโลก เขเยวเยวมึนตึงด่าทอาว่าร้ายไหลไปตามกระแสแห่งตันหาถูกความมืนบอดกลุ้มลุมห่อหุ้มอยู่แต่พอมีคําสอนที่เป็นไปในทางทวนกระแสเปิดแจ้งเป็นไปเพื่อความสว่างเป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมก็ยังมีคนฟังก็ยังมีคนที่ตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึง กำหนดไม้ในข้อความนั้นเผื่อว่าจะได้เห็นแจ้งทงตลอดได้อันนี้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากความมหัศจรรย์นี้เกิดขึ้นที่ไหนตบหฟังแน่นอนล่ะว่าเหตุของการเกิดขึ้นของความมหัศจรรย์เหล่านี้เกิดจากการที่มีสัมมาสัมพุทโชาการะจากการที่มีคำสอนที่มีอยู่ในโลกคำสอนนี้มันก็มีอยู่แล้วล่ะือสิ่งธรรมะเนี่ยมันมีอยู่แล้วในโลกนี้นะ ต่อให้ข้อมูลนี้จะมีคนมาบอกหรือไม่ได้มีคนมาค้นพบบอกให้ฟังสิ่งนี้มันก็มีอยู่แต่ในสมัยนี้คนที่มาบอกคือค้นพบข้อมูลนี้แล้วมาบอกมาสอนให้เราฟังเป็นคำสอนออกมานั่นก็คือสมณโคดมเอาคำสอนต่างเหล่านี้มาบอกมาสอนให้ให้เรารู้เห็นทำความเข้าใจได้ รายการที่เราจะมาทำความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้นี่มันก็ไม่ยากที่ว่าไม่ยากนี้ก็ต้องมีเหตุของความไม่ยากคือถ้าไม่มีเหตุทาให้ทำเราทาความเข้าใจได้มันก็ยากแน่ละซึ่งเหตุของการที่จะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นในจิตของเราได้อันดับแรกก็นี่เลยคุณต้องมีหูพู้นั้นต้องมีโสตประสาทโสตประสาทก็คือหูนั่นแหละ แล้วก็จิต ท, ที่เขาจะเข้าไปรับรู้ทางเสียงต้องมีมีหูมีส่วนประสาทแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ต้องมีศรัทธาพระเจ้าตอนนั้นอยู่ใต้ต้นไทรมันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลียงแพะหลังจากที่สัมบดีพรมมาพูดถึงคนที่มีทุลินในดวงตาน้อยก็มีหลังจากที่ได้ใคร้ครวนพิจารณาแล้วก็บอกถึงว่า ประตูแห่งนิพานอันเป็นธรรมะได้เปิดไว้แล้วคนที่จะเข้าไปทางนี้ได้มีความรู้ความเข้าใจมีความแจ่มแจ้งได้ก็ต้องมีสวดประสาทแล้วก็ต้องปรงศรัทธาลงไปผู้ใดมีโสวประสาทผู้นั้นจงปรงศรัทธาลงไปเถิดเราจะทําความเข้าใจในธรรมะได้ไม่ยากถ้าเรามีความมั่นใจมีศรัทธาคือความมั่นใจ ในการตรวจสอบของบุคคลชามีศรัทธาคือความมั่นใจในข้อมูลที่เราฟังมาเรียนมารู้มาว่าอันนี้มันจะแก้ปัญหาเราได้มีความศรัทธามีความมั่นใจในเรื่องของการปฏิบัติของตัวเราเองการนํมมาธรรมะคําสอนนั้นมามาใช้งานนั่นก็คือเรื่องของพระบุทรพระธรรมพระสงค์นั่นเองพอเรานํามาใช้งานใช้งานในลักษณะไหนละ่ะ ใช้งานในลักษณะไหนที่จะทำให้เรานั้นมีความรู้ความเข้าใจได้พระเจ้าก็พูดถึงเรื่องของศีลสมาธิปัญญาใช้งานเริ่มตั้งแต่กายของเรากายของเราวาจาของเราสิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เรากระทำออกไปไม่ว่าจะเป็นการพูดการกระทำของเราให้มันอยู่ในขอบเขตอยู่ในสิ่งที่เป็น กูสอนละทำขอบเขตในที่นี้เนะี่ยไม่ใช่เป็นการจํากัดเราในการทํานะคือบางคนคิดว่าโอ้สีนี่แหมจํากัดจำเกียรตเหลือเกินทําอันนี้ก็ไม่ได้ทํามันนั้นก็ไม่ได้แต่จํากัดในที่นี้ไม่ได้ว่าจํากัดการกระทำของเราแต่จํากัดการที่เราจะไปสู่ที่ที่ไม่ดีที่ที่ไม่ดีไม่ดีเราจะไปทําไมมันไม่ได้มีความดีมันจะมีแต่ความเร่าร้อนรุ่มร้อน ความไม่สบายกายความไม่สบายใจศี่นี่แหละท่านผู้ฟังเป็นตัวที่จํากัดกายของเราจํากัดวาจาของเราเหมืนตีเขตเอาไวา้บริเวณที่มันเป็นบริเวณอันตรายเราอยากเข้าไปนั่นคืออะไรมันคือการที่ถ้าเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการแกล้งกล่าวเทสดื่มสุราเม่ไรเราทำํำบ่อยๆเราจะเข้าไปสู่แดนอันตรายแดนนั้นเป็นดินแดนที่เผ็ดแสบ เป็นอันตรายต่อการบรรลุธรรมอย่างมากเป็นดินแดนเขาที่เข้าไปแล้วเหมือนอยู่ในคุกถูกจำขังเอาไว้และไม่ได้มีอิสระนั่นคือการที่จะไปสู่นรกก่อเนินเดรฉ า, านวิสัยแห่งเปรต ท, ที่ที่เป็นภพต่ำทั้งหลายสีนี่แหละที่หวังจะเป็นตัวที่ปกป้องเราไม่ใช่ว่าจำกัดไม่ให้เราทำอันนั้นอันนี้แต่เป็นสิ่งที่ปกป้องเราง กปก้อเราเอาไว้จากอันตรายที่จะเกิดขึ้นในพบต่างๆเหล่านั้นเอาง่ายๆแค่เราเบียดเบียนกันด้วยวาจาทิมแทงกันด้วยหอกคือปากการแกล้งกันด้วยวิธีการต่างๆไอ้พวกสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมเป็นลักษณะของสัตว์จาพวกที่เป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์ชั้นต่าที่มักจะเบียดเบียนกันคนมีกําลังมากกว่าสัตว์ที่มีกําลังมากกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่มีกําลังน้อยกว่า เป็นลักษณะของสัตว์เดรัจฉานเป็นลักษณะของพบภูมิในที่อยู่แบบนั้นศีลจะช่วยป้องกันของเราไม่ให้ไม่ให้ไปอยู่ในที่ที่เป็นแบบนั้นแต่ทั้งในพบปัจจุบันเนี่ยในพบมนุษย์นี่แหละถ้าเรารักษาศีลจะใจจางเราดีใจจางเราสบายเราจะมีความเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลกันได้ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้ใหญ่ช่วยผู้น้อยเออนี่เป็นลักษณะของมนุษย์เป็นลักษณะของเทวดาแต่ก็มีความเป็นอยู่กันอย่างนี้ เราไม่ได้ใช้อำนาจหรือกำลังของเราในการเบียดเบียนคนที่มีอำนาจหรือกำลังน้อยกว่าแต่เราใช้อำนาจหรือกำลังของเราในการที่จะช่วยเหลือปกป้องคนที่มีกำลังน้อยกว่ามีอำนาจน้อยกว่านี่ถึงจะถูกเป็นวิธีการที่ถูกต้องศีลจะช่วยรักษาเราตรงนี้เราปฏิบัติตามศีลคือควบคุมกายของเราควบคุมวาจาของเราคือถ้าไม่ควบคุมเนี่ยมันก็ไปได้ทุกที ที่ที่ไม่ดีมันก็ไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการควบคุมแต่ควบคุมเหมือนกับรถรถยนต์เนี่ยถ้ามีแต่คันเร่งอย่างเดียวไม่มีเบรกเแต่ไม่มีพวงมลาลัยซ้ายขวามีแต่เครื่องยนต์แล้วก็หมุนบึมๆๆไปทิศทางไปไหนควบคุมไม่ได้สุดท้ายเดี๋ยวเครื่องพังไปตกลุมตกบอ่อตกเอล์เสียหายไปก็จึงต้องมีการควบคุมให้มันทั้งไปได้ให้มันทั้งหยุดได้ ศีลไม่ใช่ว่าชีวิตของเรามันจะปิดกั้นทําอะไรไม่ได้เลยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นศีลในชีวิตของเรายังทําได้อีกหลายอย่างแล้วยังเป็นสิ่งที่ดีด้วยถ้าเราปฏิบัติตามศีลอนิอนนสงฆ์มากมายจิตใจของเราสบายเรามีความไม่ร้อนใจชื่อเสียงเราก็ขจรกระจายไปเหมือนอย่างกับกลิ่นหอมของดอกไม้ที่สามารถไหลไปตามลมนั้นลมพัดมากลิ่นหอมก็กระจายฟุ้งไปได้กลิ่นของศีล น, นี่ยิ่งกว่านั้นสามารถที่จะท่วนกระแสไปด้วย ศีลเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจจะทําให้จิตใจของเรานั้นสบายสบายในที่นี้ก็คือไม่มีความรุ่มร้อนเร่าร้อนไม่มีความที่จะต้องมากังวลใจว่าเอ้ฉันทาผิดทําชั่วไว้ฉันโกงเอาไว้โอ้ใครเขาจะมารู้ความลับนี้หรือเปล่าจะมาเปิดโปงนี่โอ้ฉันกังวลมาจะไม่มีความเป็นอย่างนั้นไอ้ความสบายใจความไม่ร้อนใจที่เป็นผลเกิดขึ้นจากศีลเนี่ยจะทําให้จิตใจของเราเนี่ยตั้งมั่นอยู่ได้ ใจของเราที่อยู่ในสมัยปัจจุบันนะท่านผู้ฟังมีเรื่องกระทบเยอะแยะมากมายมาทางหูบ้างทางตาบ้างก็คือแน่นอนละ่ะมันมาทางภาษาทั้ง6อย่างมากระทบแล้วแต่ในสมัยปัจจุบันมันมันรวดเร็วกว่าแตนะมันมาทางโทรศัพท์มือถือบ้างอินเทอร์เน็ตบ้างโทรทัศน์บ้างนะซึ่งมันผ่านมาทางภาษาทั้ง6อย่างของเรานี่หละแต่เครื่องมือในการสื่อสารมันรวดเร็ว ทำไม่เอารู้ข่าวคราวดีบ้างไม่ดีบ้างมันฟาดฟันมาทุกอย่างเมื่อเรารับข่าวสารต่างๆเหล่านั้นถ้าใจิตใจของเราเนี่ยไม่มีที่ตั้งที่ระลึกถึงคือไม่ได้มีหลักไม่ได้มีที่ให้เกาะอไว้นั่จิตใจเราจะเป๋ได้เหมือนกับปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายที่วางอยู่บนพื้นที่ที่เรียบสม่ำเสมอเนี่ยลมพัดมาทางเหนือ มันก็ไปทางใต้ลบพัดมาทางตะวันออกมันก็ไปทางตะวันตกมันก็ไปตามกระแสลมที่มันพัดมาจิตใจของเรานะท่านผู้ฟังถ้าไม่มีที่เกาะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่ระลึกถึงมันเป๋ไปตามลมเลยนะลมปากคนนี้เปล่ามาผ่านทาง Facebook เ, เป็นอย่างนี้ข้อมูลนี้มาเราก็เป๋ไปอีกทางหนึ่งอีกข้อมูลมาผ่านมาทางโทรทัศน์เสียงมาเป็นงนี้ เราก็เปยบไปอีกทางถ้าใจของเราไม่มีที่มั่นที่มั่นที่จะรักษาใจของเราให้มันมั่นคงอยู่ได้เหมือนเสาระเนียดเสาหลักเสาตะลุงก็ฝังลงไปในดินอย่างดีเดี๋ยวจะมีสัตว์มาดึงคือเสาตะลุงเนี่ยเขาไว้สําหรับฝังไว้ผูกช้างแต่ช้างตัวเริ่มเลยถูกเอามาจากป่าเนี่ยเขาก็จะเอามันผูกเอาไว้ ดังกับเสาตะหลงแม่มันหนีไปได้มันจะดึงไปทางนั้นทางนี้มันก็ไม่เป๋จีตใจของเราถ้าไม่มีหลักให้เกาะถ้าไม่มีหลักให้พึ่งแล้วมันก็จะเป๋ไปตามแรงลมบ้างตามแรงผัสสะแรงสัมผัสที่เขามาบอกเขามาพูดให้เราเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้จิตใจเราจึงต้องมีหลักาำฝังหลักที่พูดถึงในที่นี้ก็คือใจของเราต้องมีสติใจของเราต้องมีสมาธิ นื้สติสมาธินี่แหละเป็นเรื่องของจิตที่จะเหมือนกับเป็นฐานทีมันฐานที่ตั้งบุรุษเช้าวรวมเรื่องของสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สมาสมาธิเนี่ยเอาไว้ในหมวดของจิตกันยิงจิตของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับสิ่งที่จะไปรับรู้สิ่งต่างๆมันคือไปตามสิ่งนั้นไปตามสิ่งนี้แน่นอนเป็นธรรมชาติของจิตอยู่แล้วที่จะไปรับรู้ทางตาบ้างทางหูบ้างเพราะมันก็จะ ไปก้าวลงในสิ่งต่างๆเหมือนวับไปวับไปวับไปดวงนี้เกิดดวงนี้ดับไปไปเรื่อยๆเหมือนกับลิงวานอนเนี่ยแหละลิงเนี่ยกระโดดจับกิ่งไม้กิ่งนี่จับกิ่งไม้กิ่งนั้นมันวบบวบวไปอยู่เลยไปตามสัมผัสนั่นเองอเอาคว่าทางหูเนี่ยหรือทางใจหรือทางกายใจเราเดี๋ยวปวดหลางออ า, ไป อ, อ า, าไปอยู่ที่หลังแล้วมันได้ยินเสียงก็มาอยู่ที่หูเดี๋ยวมาความคิดนั่นก็มาอยู่ที่ใจ กระโดดไปกระโดดมาอย่างนี้วับไปแวบมาเกิดขึ้นดับไปเป็นอย่างนี้ตลอดถ้ามันเป็นอย่างนี้ลักษณะของลิงที่มันวิ่งไปวิ่งไปเนี่ยอเผอิญเผอิญไปวิ่งไปในที่ไม่ดีวิ่งไปในที่ที่มันจะทําให้ใจของเราเป็นทุกข์เราจะเจ็บเราจะเป็นทุกข์เดือดร้อนไปตามสิ่งที่มากระตบนั้นนั่นคือคือความหลอกลวงของจิตนะท่านฟังที่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าจิตนี้เป็นตัวเราของเราเนี่ย มันไปจับในสิ่งอะไรที่มันเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนเราก็จะคิดว่าไอ้ความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยเป็นของเราไปด้วยในทางตรงกันข้ามถ้าจิตที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยไปจับไปก้าวลงในสิ่งอะไรที่เป็นความสุขสมณะเป็นความสุขเป็นความสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขเราก็จะคิดว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเรามันก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้เพราะฉะนั้นจิตที่ไปรับรู้สิ่งต่างๆเราจะรักษาจิตตรงเนี้ย ให้มันไม่เป๋เดีวเวลามีอะไรมากระทบให้อย่างน้อยมันเป็นหลักอยู่ได้มวดธรรมะที่พระเจ้าให้ไว้ในการที่จะรักษาจิตตรงนี้ก็คือสัมมาวยมาระสัมมาสติสัมมาสมาธิจิตของเราให้ปักลงไปมั่นลงไปปลงลงไปแต่ซึ่งศรัทธาซึ่งความมั่นใจในการปฏิบัติให้จิตของเรามีสติให้จิตของเรามีสมาธิสมาธิในที่นี้ แต่ไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ได้คิดอะไรเลยเกิดนั้นก็ดีส่วนหนึ่งแต่ว่าบางทีมันมีความคิดนึกบางทีมันมีความระลึกได้เราคิดเรื่องที่ดีๆอันนี้ก็หมายความว่าจิตเราอยู่ในแดนดีละ่ะจิตเราอยู่ในแดนสิ่งที่เป็นกุศลละ่ะมีอะไรมากระทบอย่างน้อยเราไม่สะดุง้งไม่เป๋ออกนอกทางอาจจะมีความคิดบ้างอาจจะมีความนึกบ้างอันนี้ก็ธรรมดานั่นเป็นธรรมชาติของจิตที่จะไปคิดไปนึกไปก้าวลงไปรู้สึกอยู่ละ แต่น้อยไอ้ความคิดความรู้สึกความก้าวลงอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นแต่ถ้าเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ดีนั่นะชื่อว่าเรามีหลักของใจอยู่ในระดับหนึ่งใครก็ตามที่จะรักษาจิตนะให้มันมั่นคงอยู่ได้มีอะไรมากระทบแล้วไม่เป๋ออกนอกทางออกนอกลู่นอกทางออกนอกมักนะออกนอกหนทางคือมักเราก็ต้องมีการกระทํา แต่การเอามากระทำเอาไว้การที่ตั้งใจไว้การที่ทําจริงการทําจริงนั่นคือสัมมาวยามาห น, นึ่นเงเราทําจริงแน่แน่จริงในการที่จะเอาไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลออกไปจากจิตทําจริงแน่แน่จริงในการที่จะนําสิ่งที่เป็นกุศลเข้ามาในจิตคุณจะทําตรงนี้ได้คุณแน่นอนคุณต้องมีสมาสติสติคือความระลึกได้ว่าเฮ้ยฉันต้องทําความดีนะฉันต้องไม่ไปออกนอกทางนะฉันจะต้องอยู่ในลู่ในร่องในรอย บางคนก็จะมีความคิดว่าไอ้ร่องรอยนี่มันเหมือนกับเป็นการกําจัดกำเกียดติดใจของเราหรือความคิดการกระทำของเราหรือเปล่าตัมบูฟ่งร่องนี้มันใหญ่มากนะมักแปดคือขนทาง น, นี่มันกว้างมากจริงๆแต่ถ้าจะพูดถึงก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยโอ้โหมันกว้างมากแตการกระทําชีวิตการดําเนินความเป็นอยู่คุณจะไปซ้ายไปขวาโอ้ถนนมันใหญ่มากกว้างมากแต่เราจะอยู่เลนนั้นเลนนี้หรือเลนไหน มันให้เลือกได้สบายมไม่จําเป็นว่าเราจะต้องถูกกําจัดกําเกียดนะอยู่ในท่าทางแบบนี้รูปแบบแบบนี้ไปร่วมอันนี้กับเขาได้ไปร่วมไม่ได้ฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นไม่ใช่คุณอยู่ฝ่ายไหนก็ตามคุณไปร่วมกิจกรรมใดๆก็ตามก็สามารถปฏิบัติได้เพราะว่าทางนี้มันกว้างมากจิตใจของเรามันไปได้ทุกอย่างเราอยู่ในบริเวณไหนภูมิภาคไหนกิจกรรมใดๆเกิดขึ้น คุณเป็นผิวสีอะไรคุณพูดภาษาอะไรนาต่างก็สามารถที่จะเดินตามทางนี้ได้เพราะเป็นทางที่กว้างเป็นทางที่ยืดจยุ่นเป็นทางที่เป็นหลักเกณฑ์เอาไว้ให้เนีเราก็มีข้อปฏิบัติอยู่ได้หลายอย่างซึ่งจิตเนี่ยถ้าผมว่าเรามีหลักมีฐานที่ตั้งเนี่ยจิตของเราก็จะสามารถที่จะเห็นตามที่มันเป็นได้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงอย่างเวลามีอะไรมากระทบจิต ถ้าเผืว่าจิตของเราไม่มีที่ตั้งคือจิตที่เป็นเหมือนกับปุยนุ่นปุยฝ้ายเนี่ยมีอะไรมากระทบมันก็ปลิวไปตามลมล่ะลมพัดมบก็ติปลิวตามไปการที่มันจะเป็นหลักเป็นอะไรมันก็เป็นไม่ได้แต่ถ้าเผือว่าจิตเป็นเสาลักษณะของจิตเป็นเสาเป็นหลักเวลามีอะไรมาพัดมาโดนมาเอ้ยมันมั่นคงอยู่ได้เราก็จะพอสังเกตได้ว่าเออสถานการณ์อย่างนี้เป็นยังไง ทำอย่างนี้กิจกรรมนี้คืออะไรเราจะเห็นสภาพตามที่เป็นจริงได้นั่นคือลักษณะของสมาธิที่เป็นไปเพื่อปัญญานี่นเองมันก็จะมีความคิดว่าปัญญานี่มันก็อยู่ๆก็เกิดขึ้นเองแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ที่ว่าอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นเองแต่ว่าไอ้ความเกิดขึ้นเองมันก็ต้องอาศัยเหตุเหตุของการที่จะเกิดปัญญาขึ้นได้เราต้องมีจิตที่พอประมาณจิตที่อย่างน้อยไม่ เปไปเป ย, ย์าจิตที่ยังน้อยมีที่ตั้งที่ระลึกถึงมากกระตามน้อยก็ตามนั่นตามกระบวนการของเขาเราอยางมาดู2อกรณีแตคนที่มีจิตอ่อนปวกเปียกแต่เรามีอะไรมากระทบเขาทางหูก็ตามเรื่องนี้มากระทบแม้แมันจี้ขึ้นทันทีพอเลือดขึ้นหน้าจี้ขึ้นแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้ได้เลยว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นมันจริงหรือเปล่าหรือสิ่งที่เขาพูดเนี่ย มันเป็นถูกต้องหรือไม่แล้วเราจะไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยเพราะว่าตอนนั้นเหมือนมีตะปูมาตรึงจิตของเราไวล้ล่ะตอกตรึงจิตของเราไว้ให้อยู่ในแดนที่ไม่สามารถจะมาเห็นตามจริงได้่เป็นดินแดนที่เป็นอกุศลล่ะจิตเราจะจะไม่สามารถเห็นตามจริงหรืะจะไม่รู้ได้เลยว่าคําพูดที่เขาพูดมานั้นจริงหรือไม่จริงอันนี้คือคนที่จีบขึ้นมาปีตขึ้นมาในทางตรงข้ามถ้าจิตของเรามันมีหลักมีหลักที่ตั้ ง, งปักเอาไว้ล่ะ มีอะไรมากระทบปุ๊บเป็นคําที่เราไม่พอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นเอา้าเกิดขึ้นอยู่ก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยมันมันไม่กระเทือนจิตของเราแต่เกิดขึ้นก็เกิดไปจิตเราอยู่ได้จิตเรายังมีหลักอยู่นะโดนลมพัดอยู่มันโดนแน่ละ่ะภูเขาหินก็ตามหรือว่าต้นไม้ใหญ่ใหญก็ตามเนี่ยโดนพัดมันก็ได้รับแรงสัมบัติของลมแต่ว่ามันไม่สั่นวันไหวสะเทือนสท้านไปตามแรงลมนั้นแต่ทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าอ๋อมันเป็นอะไร แต่จิตที่มีความพอที่จะตั้งเที่ยงตั้งมั่นอยู่ได้มีความรับรู้ในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นละแต่แต่ว่าไม่หวั่นไหวเราสามารถที่จะรู้ดูฟังได้ว่าไอสิ่งที่เขาพูดมาว่ามานั้นเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าเขาอาจจะพูดด้วยคำจริงเป็นประโยชน์ก็ได้เราเอามาน้อมพิจารณาดูเราจะได้ประโยชน์จากการที่คนนั้นเขาพูดสิ่งใดมาได้เป็นการชี้ขุมรัพย์ให้เราด้วย แต่เป็นการทําเราแก้ไขสิ่งที่ดีด้วยแต่เราจะรับรู้ถึงข้อมูลดีๆเหล่านั้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อจิตของเรามีที่ตั้งอย่างดีจิตของเราได้รับการรักษาอย่างดีจิตของเรามีหลักอย่างดีไอ้หลักที่ตั้งที่จะทําให้จิตของเราได้รับการรักษานั้นคือสมาธินั่นเองพระเจ้าเรียกรวมธรรมะในหมวดนิวาสมาธิหรือความที่จิตได้รับการรักษาจิตมีอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวนะท่านฟัง ไม่ใช่หมายความว่าไม่คิดเรื่องอะไรนะอาจจะคิดเรื่องในเรื่องหนึ่งที่เป็นกุศลแตนะ่เพื่อให้อย่างน้อยจิตเรามีที่ตั้งได้หลังจากที่จิตของเรามีที่ตั้งที่เราเลือกถึงได้รับการรักษาอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งรับรู้สิ่งใดได้ยินสิ่งใดเห็นสิ่งใดบางทีมันอาจจะไม่ได้เห็นตามจริงทุกแงม่มุมแต่วันแง่มุมที่เราไม่เห็นไม่รู้ดูไม่ออกก็มีไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเรามีหลัก ที่ตั้งอย่างนี้แล้วจิตของเราเนี่ยนะโดนไดมากระทบอยู่เรื่อยได้ฟังเสียงได้เห็นภาพอะไร ใ, นในอยู่เรื่อยด้วยจิต ท, ที่เป็นลักษณะ น, นี้ความรู้ความเข้าใจมันเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าเราเห็นสภาพตามที่มันเป็นเร า, า จ, จะไม่ได้เห็นทุกแ ง, งม่มุมอาจจะเห็นแง่มุมนี้อ้าวโดนผาสสะนี้มากระทบวันนี้เราเห็นแง่มุมนี้จิตเรารักษาให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเออพรุพ่งนี้มา่าย น, นี้เราเห็นอีกแง่มุมหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเห็นจริงๆ ในลักษณะที่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งเราก็จะมีความฉลาดค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในเหมือนไหลทะเลที่มีความลึกล้ําลงไปเป็นลําดับนี่ก็เป็นความมหัศจรรย์อย่างนึงเหมือนกันนะที่ว่าบางทีมันก็ค่อยๆลึกซึ้งลงไปไอ้จิตที่เป็นแบบนี้แหละจะทําความลึกซึ้งให้เกิดขึ้นได้แม้หลักที่เราใช้เป็นที่เกาะหลักที่เราใช้เป็นที่พึ่งเนี่ยมันก็มั่นคงขึ้นได้บางทีมันอยากจะหลุมๆอยู่แล้วก็ ฝึกให้ดีปฏิบัติให้ดนะีรักษาสีของเราให้ดีแนะพอมีความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นในจิตมากเข้ามากเข้ามีใจที่เป็นหลักมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นไอความที่มันจะหวั่นไหวไปตามอารมณ์ก็จะลดลงความที่จิตของเราจะตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียวก็จะเพิ่มมากขึ้นความตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียวนีนะ้ความคิดนึกอะไรต่างก็จะละเอียดลงละเอียดลงแต่ละเอียดลงในลักษณะที่บางทีมันก็หายไป ละเอียดลงจนเหมือนกับเป็นผงไปผงไปแล้วมันก็ละเอียดไปเราก็จิตใจเราก็ละเอียดลงเราก็จะทำความจำแจ้งลึกซึ้งในธรรมะวินัย น, นี้ให้เกิดขึ้นได้เรื่องของสมาธิเรื่องของจิตเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกทัาบุฟังฝึกแล้วจะรักษาจิตของเราได้ไม่จาเป็นว่าเราจะต้องมาทำในรูปแบบการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเป็นรูปแบบนั้นเป็นสิ่งดีเราควรทาอยู่ ในขณะเดียวกันเราเราทำไปได้เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาอยู่ในอริยบทไดเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่ทำกับข้าวอยู่ทำงานอยู่รอรถเมย์อยู่อยู่ในที่ประชุมอยู่น้าคอมพิวเตอร์เราสามารถที่จะรักษาจิตของเราในแนวนี้ได้แต่ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราทำอย่างถูกต้องเรื่องที่มันจะยากได้ก็คือทำผิดนั่นะเราจะหวังผลให้มันเกิดขึ้นมันก็ยากแน่ แต่ถ้าเรามีศรัทธามีความเพียรเรามีหูอยู่นีเรามีหูได้ยินเสียงมีโสตประสาทเรามีศรัทธาจะสามารถทําความเพียรให้เกิดกันได้การปฏิบัติจริงการทําอย่างจริงๆ จ, จังๆนั่นแหละมันจะเกิดจากกันที่เราเป็นผู้ที่มีความมั่นใจเรามั่นใจในคํำสอนเรามั่นใจในข้อปฏิบัติเราเห็นความมอัศจรรย์นี้ว่าเปิดมาแม่ก็ยังมีรายการธรรมะออกอากาศมาเอา้ามันดีแล้วเดีมีความมั่นใจตรงนี้เราทํา ทำตรงนี้ไม่ได้ว่าจะต้องหยุดทุกอย่างถึงค่อยทําได้เอาทํามันตอนนี้แหละหูได้ยินเสียงเราก็ทําเลย ต, ตาอ่านหนังสืออยู่เราก็ทําเลยเดินอยู่ขาเก้าแย่างอยู่เราก็ทําได้เพราะมันทําในจิตนั่นเองปักหลักลงไปนะรู้ฟังปักหลักให้มัน่นคงให้มีที่มัน่นที่พึ่งให้ถูกเอาความดีนี่แหละเอากุศลธรรมที่เรามีนี่แหละเป็นที่มัน่นเป็นหลักของเราเราจะแก้ไขจิตของเราได้นะ เราจะแก้ไขจากสิ่งไม่ดีสิ่งที่มันหลวมมันโคกลกเคลกมันไรสาระให้มันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาได้คุณต้องใช้วิธีที่มั่นคงมีสาระมีความดีนะจะเอาความที่หลวมโคลกเคลกไรสาระไปแก้ความที่ไรสาระมันไม่ได้มันก็ยิ่งจะสกปรกกันมากขึ้นขึ้นไปใหญ่มันก็ยิ่งจะหลวมโคลกเคลกไรสาระกันมากขึ้นกึ้าไปใหญ่เราจะทำสิ่งที่ไรสาระให้มันมีสาระสิ่งที่ มันไม่หลวมโคลกเคลิกให้มันดีขึ้นมาเราต้องใช้ความมั่นใจเราต้องใช้ความมั่นคงเราต้องใช้ความมีสาระเราต้องใช้ความดีนั่นเองเอาความดีชนะความชั่วเอาสิ่งที่เป็นกุศลชนะสิ่งที่เป็นอ ก, กุศลเราทําความดีให้มั่นใจชนะได้ธรรมะย่อมชนะอธรรมอยู่แล้วธรรมะแม้น้อยนิดเดียวก็ยังชนะอธรรมที่มากมายมหาศาลได้มันไม่คุ้มกันหรอกท่าฟัง เพราะอะไรถึงว่าอย่างงั้นเพราะว่าความขาวเนี่ยแม้จุดเดียวมันก็ยังขาวกว่าไอ้สีดําเป็นเปื้นๆทั้งเยอะแยะไปหมดสีดําเป็นเปื้ น, นๆเยอะแยะไปหมดมันจะมาขาวกว่าสีขาวแม้จุดเดียวมันไม่ได้สีขาวมันก็ขาวกว่ามันชนะกันตรงนี้ความดีจิตดีแม้ดวงหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตของเรามันเอาชนะความไม่ดีจิตที่ไม่ดีเป็นพันๆดวงที่เกิดขึ้นในจิตของเราได้่ด้วยความดีของมันนั่นเอง ความดีนี่แหละจะชนะความโชดายพระรูชเ้าดูสีองค์เดียวแต่ก็ยังเอาชนะพวกปริพาชคผู้ที่มีความเห็นผิดเป็นร้อยเป็นพันได้ก็ใช้ความดีนั่นแหละชนะแต่เราจะเอาชนะไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีความดีเจะเอาความไม่ดีมาชนะเราก็เป็นสีดํานั่นเองมันไม่ได้สีขาวจะมาอยู่ร่วมกับสีดําเนี่ยมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เราก็เป็นผู้เดียวกับเขาแต่เราจะชนะได้ด้วยความขาวด้วยความบริสุทธิ์ด้วยกุศลธรรมที่อยู่ในจิตของเรา ทำกุศลธ ร, รรมนี้ให้มั่นคงให้มั่นใจแต่ความขาวกุศลธ ร, รรมนี้ก็จะค่อยเพิ่มขึ้นได้เราไม่ได้ดูกันที่จํานวนแต่เราดูกันที่ความถูกต้องถ้าคนที่เห็นว่าสิ่งนี้ถูกต้องแล้วนก็ทำทำแล้วดีดีแล้วความดีนี่แหละจะชนะได้เดี๋ยวั น, นี้ข้าพเจ้าพระไพบุญขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่อำบาล